<c oughs> ่ะเตรียมเพานาไปจะมีตอกปัญหาเตรียม <c oughs> ไหนอยู่ไหนอ่ะเนาะอะไรอ่านี่อะไรอ่ามึงพอก็นั่งสับปะงุ่มกันหรือป่านะ <c oughs> เราดูด้วยเราเห็นด้วยเราตามดูตามรู้ตา ม, ตามเห็นนี่คือการใช้ปัญญาทอย่างเดียววิปัสนาวิปัสนาแต่ถ้าเรารู้ศักทว่ารู้อยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวเนี่ยเป็นเรื่องของสมถะ จะเป็นสมถตก็ตามจะเป็นวิพัสนาก็ตามขอให้มันเกิดจ ร, จริงในหัวใจของเราตัวเองจะเป็นผู้ประจักษ์ชัดเจนว่าไม่ใช่สัญญากรรเป็นของแท้จริงปรากฏอยู่เฉพาะหน้าเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็ น, นความเกิดขึ้นเห็นความตั้งอยู่เห็นความดับไปเห็น ยังไม่ถึงขีดถึงขั้นที่จะเบื่อหน่ายคลายจาง ก, ก็ตามดูตามรู้ตามพิจารณาอยู่นี่แหละเมื่อรู้สึกว่าเบาหรือจางจากความรู้ตัวรู้สึกตัวก็ทิ้งกิริยาที่เราตามดูตามรู้ตามเห็นนั้นมาอยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวเพิ่มกำลังใจในสมาธิ มาที่คือความสงบจิตสงบนิ่งอยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวรู้อยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวเวลาน้อมไปพิจารณาเห็นอารมณ์หนึ่งเดียวแต่ตามดูตามรู้ความตืิกแปรเปลี่ยนแปรที่มันเกิดให้เรารู้ให้เราเห็นนะเป็นเรื่องของวิปัสสนาเป็นเรื่องของปัญญายังไงก็ตามสมถะก็ขอให้เป็นสมถะจริงๆริงวิปัสสนาก็ขอให้เป็นวิปัสสนาจริงๆ ดูไปจะถึงที่สุดเราจะรู้สึกเบื่อหน่ายคลายาจจะทำให้เราหายข้อข้องใจหายสงสัยเองเป็นปัจจุบังเวลทีตบโบวินยูเฮติบินยูพึงรู้เอเห็นเอง ที่ควรไตรตรองดูให้เห็นให้ชัดเพื่อมันจะได้เพิ่มพูนทวีคูณก้กาวหน้าหเห็นอนนี้จังเห็นทุกข์เห็นอัตตาก็พัฒนาไปปรับปรุงไปแก้ไขไปมันเป็นการตามดูตามรู้ตามเห็นตามพิจารณาขอให้เป็นวิปัสสนาเราเข้าไปรู้เข้าไปเห็น จริงของจริงไม่คาดไม่เดาไม่หมายแล้วก็ให้หูแล้วก็ไม่ยึดจะเป็นอะไรก็ตามไม่ให้ยึดจะเป็นอะไรก็ไม่ตามก็ตามไม่ให้ยึดตามดูตามรู้ตา ม, ตา ม, ตามเห็นอยู่นั่นแหละขอให้ของจริงปรากฏเฉพาะในจิตของเราหัวใจของเราด้วยกำลังด้วยอินทรีย์แบบอินทรีย์ที่เราเนี่ย มีกำลังสมาธิก็มีกำลังปัญญาก็มีสมาธิซียังปัญญซียังพอมันมีกำลังเต็มที่แล้วมันก็ให้ผลทางราู้ทางเห็นเป็นยาเกิดยาวนทัศนะขึ้นมาทั้งรู้ทง เ, งเห็นเราไม่ต้องกล้องใจเราไม่ต้องสงสัยตั้งใจดูตั้งใจพิจารณาต่อไปแต่ ใจมันสงบแล้วเอาอะไรมาพิจารณาเอาอะไรมาบริกรรมอันเดียวกันหมดคหมืออย่างพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพอใจมันอยู่มันไม่ไปไหนแล้วเราจะว่าเป็นธรมโมธรรมโมมันก็อันเดียวกันเราจะเป็นสังโคสังโคมันก็อันเดียวกันสัมมาหังสัมมาหังก็อันเดียวกันนามอภิธานนามอภิธานอันเดียวกันคือกิริยาของใจที่มันดําริแล้วมันก็ทํางาน มันยังเป็นวิตกเป็นวิจารณอยู่แต่ถ้าหากพุทโธไม่ไม่มีหมายความพุทโธมันอิ่มมันพอมันทิ้งวิตกทิ้งวิจารณที่วิตกทิ้งวิจารณไม่ดําริคําว่าพุทโธแต่มันอยู่กับอารมณ์เฉพาะหน้าของเรามันจะขยับจากพุทโธมันมาอยู่กับเวทนามันเลื่อนจาก บริกรรมมาอยู่เพราะเวทนาเขาเวทนาเป็นอารมณ์อะไรก็ตามเราเพียามตามดูตามรู้ตามเข้าใจอันนี้สำคัญที่สุดจะทำให้เราประลึกรู้สึกตัวทุกระยะทุกเวลา น, นี้สําคัญอยู่นะสําคัญอยู่มันมันมันอยู่ในหลักมันไม่ทิ้งหลักแต่ถ้าเราลืมสํานึกรู้สึกเขาไปรู้รเขาไเห็ทีไรเมื่อไรเราก็หลงละ พอหลงแ ล, แล้วก็ยุดแหละสำคัญมั้นหมายยึดเอาถือเอายึดเอาทีายึดเอาถือเอาทีอะไรเมื่อไหร่ตัวยึดตัวนี้มมนจะทำให้เราค้างคาหลงติดค้างอยู่แค่นั้นดูไปจนถึงที่สุดมันจะมีสิ่งของแทนหลงเหลืออยู่ ให้เป็นที่ปรากฏในหัวใจของเราตั้งใจดูไปตั้งใจทำไปการเดินตมตัจําเป็นต้องมีรูปแบบการเดินหรือไม่หรือแค่มีติรู้และยี่ส่ขขิทธออกนอกไหม เดินอยู่กับอารมณ์อันเดียวก็ใช้ได้เดินอยู่กับบทพิจารณาก็ใช้ได้รูปแบบก็คือจิตของเราออกมาทํางานนัแต่ถ้าหากเราออกนอกรูปแบบจะไม่ทิ้งกายไม่ทิ้งใจเราก็ใช้ได้แต่ถ้าเรามาทิ้งรูปแบบเดินพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธก็ใช้ได้ หรือเราจะดูความเคลื่อนไหวของกายขวาซ้ า, ายขวาซ้ า, ายและแต่เราจะรู้ว่าแต่ว่ารู้อยู่กับตัวมันไม่เสียหายแต่ถ้ า, าส่งส่งไปที่อื่นถ้าหากสละส่งจิตไปที่อื่นคือมันออกนอกแบบแล้วก็มันออกนอกทางะสะมัยเราคิดว่ า, าไปพิรวมเป็นนึกไปคิดไปพิรวงอย่างอื่นฟุ้งไปเกี่ยวกับเรื่องอื่นอย่างอื่นเหนี่ยมก็ไปและ้ะมันจะเริ่มขาดขันหลัก ขาดที่ยึดขาดงานเริ่มหลงงานอะไรแหละขณะหนึ่งหาทางเข้าทางกลับไม่เจอก็ต้องระวังเพิงระวังมีความรู้ทั่วถึงทุกระยะทุกเวลาจะเป็นเรื่องดีจะเป็นสมถะก็ยังเถอะจะเป็นวิปัสสนาก็ตาคอยเรารู้อยู่ทุกระยะทุกเวลาอันนี้เป็นเรื่องดีของเราจะทําให้เราไม่หลงทางสมถัญยั่คือความรู้ตัวที่สําคัญนะมันจะรู้ สัมปชัญญะสติสัมปชัญญะต ล, ล่อมล้อมรวมกันทําให้เกิดสมาธิทําให้เกิดปัญญาน้อมไปเพื่อสมาธิสมาธิก็ได้น้อมไปเพื่อปัญญาก็ออกได้ว่าจะมีคุณสมบัติของสติธรรมสัมปชัญญะธรรมมีความเพียรประคับประคอให้ต่อเนื่องเราก็ยังอยู่ในงานต่กระแต่อกต้งใจทํางา น, านทําไปจนถึงที่สุด คามิทุสสร้างเป็นยะระยะแต่ไม่เหนือนาเท่าแปก่อแล้วก็รู้สึตัวแล้วก็รู้ตัวเบากช่วงเป็นระสั้นๆแล้วก็เปิทบางทีก็จะสงดแต่ว่ารูเลียนานไม่ได้นพเมื่อต้องหนทุกครั้งนั่งนานไม่ได้ต้องแต่ถ้าท่านสบาที่ระเบิดจบลงแล้วดูความิทุสร์ ได้เห็นครับอืมอก็รบกุ้งคลางไปใช้ความภาคความเพียรไปไม่ถอยอะ่ะได้บางมาได้บางรุดบ้างแต่อย่าไปเลิ้อตามมันปล่อยมันคิดปรุงจนฟุ้งไปนะมันก็เป็นเหตุให้เราเสียหายเสียหลักทิ้งหลักขาดหลักขาดเชื่อกยึดสติธรรมสัมปชัญญะธรรมเป็นหลักเป็นทั้งหลักเป็นทั้งเชือกมัดจิตของเราได้ เดินตงโดยมีจุดหลัไปกลับมาในระยะทารกับการเดินตรงกับการเดินเป็นโวงโกลงไม่มีจุดหลับมีความแตกต่างในการเดินสตรีนะคะเคยมีคนบอกไม่ให้เดินเปลนรอบๆให้มีุดหแต่ไท้าเปลเ่ยนโค่ะรูปแบบไม่จํากัดต่อเขาเดินต่อปลายเท้าเขาก็ยังเดินได้ ขอจะมีสติกมกับดูแลอยู่เดินปกติธรรมดาขอให้มีสติกำกับดูแลอยู่เดิกลับไปกลับมาหรือจะเดินวนขอให้เรารู้อยู่กับงานที่เราทํารู้ว่าเราเดินบริกรรมพุโทโธอยู่กับพุโทโธหรือจะดูกิริยาที่เราเคลื่อนไหวออกไปนะเราสามารถจะพิจารณาอะไรได้เช่นนั้นแหละในขณะที่เราเดิน มันเป็นช่วงระยะเวลาที่เราพิจารณาได้เป็นอย่างดีในขณะที่เราเดินเนี่ยพิจารณาบททรรอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้มีสติกํากับดูแลอยู่เผลอไปบ้างดึงกลับกลับเข้ามาเผลอไปบ้างมีงกลับเข้ามามันดีทั้นั้นแหละคอยเราตั้งอกตัง้งใจทําให้จริงจังก็แล้วกันการใส่รองเท้าเดินกลับให้ กับให้ใส่มีความรู้สึกมีความรู้สกครับการให้ใส่รองเท้ากับการใส่รองเท้าความรัรู้มันต่างกันไหมครับก็ไม่ต่างกันเนาะถ้าเห็นว่ามันเป็นเหตุให้เท้าเราร้อนอย่เงี้ยหรือดินขลุกขละทําให้บาดทําให้เจ็บเราก็ใส่เพื่อนั้น เราเดินในพื้นที่ครูกรลับเราใส่รองเท้าเราก็เดินไหวถ้าไม่ใส่รองเท้าเดินนิดหน่อยมันเกิดความรู้สึกชัดเดินนานนักเท้าเดี๋ยวก็ตลอกปอกเปิกเดี๋ยวก็เลือดไหลก็ต้องดูที่มีความจำเป็นไหมแต่ถ้าเรายึดความเคารพเป็นที่ตั้งเราไม่ใส่นี่มันหนักไปในทางความเคารพหนึ่งดูว่าเรามีความเคารพหนักแน่ในความเคารพสอง เป็นเหตุให้เราเดินยากเดินง่ายทาเดินไปเดินมาได้สะดวกพื้นมันราบรเรียบหรือเป็นดินสาที่เราแต่งไว้อย่างดีหรือบางทีมันเย็นเกินไปดินเปียกชุม่มแฉะนี้ทำให้เราไม่รู้สึกไม่สบายนี่เราก็ใส่แต่ต้องรู้ความหมายวยเราใส่ทำไมเราใส่เพื่ออะไรแต่ถ้าเรารักในความเคารพใส่รองเท้าต้องถือว่าขาดความเคารพ แต่เราใส่เพื่อไม่ให้มันเกิดความอันตรายเราก็ใส่ได้การทนกับเวทธนาแต่ตั้งตัวเวทนาไม่ไหวอ็ใจจะขาดปีวีปีปราบตรงนี้อะไรนะอะไรนะถามอะไรนะเวลาทนการทนกับเวทนาแต่ว่าตั้งตัวเบนาไม่ไหว ใจใจขานี้คือหลักจิตใอให้เวทนามันเป็นอื่นไปจับใจของเราย้ายใจของเราก็เวทนามันเกาะกันมันเกาะกันแล้วมันทนไม่ได้หรอกมันเป็นอันเดียวกันแต่ถ้ามันแยกกันเนี่ยมันดูได้ทนดูไม่ได้ก็คือมันเยอะไปแหละ ถ้าเป็นทุกเวทนามากเกินไปแบบเราทุกเราทุ ก, เ ร, ทกเราปวดเราปวดด้วยชัดตัวนี้เราจะเห็นเนี่ยทของเรา ม, มันเผลอแล้วตัณหามันเกาะแล้วยึดแล้วในเวทนานมะคําว่ายึดก็ต้องหมายว่าเห็นเวทนาเป็นเราเราเป็นเวทนาเวทนามีในเราเรามีในเวทนาอดไม่ได้ทนไม่ได้คลิกปับ๊บเปลี่ยนปับ๊บแน่รู้สึกรู้สึกเมื่อก็มีแรงมีเรี่ยวมีแรงขึ้นมา เพมันไม่ปวดดูไปจนที่สุดดูจนถึงที่สุ ด, ดอดดุเวทนาก็คือเวทนาผู้ดูก็คือผู้ดูผู้รู้คือผู้รู้คนละอันเลยบางคนต่างจริงนะที่สุดของมันเป็นยังไงแต่ต้องเป็นเองนะคาดเดาไม่ได้ต้องเป็นเอง กอุบายในการที่พิจารณาให้ผ่านทุกเวทนาทางกายทาทาสมาธิไปฟังไม่ออกนะการที่ดูเวทนาเาจะให้พิจารณาผ่านทุกเวทนาทางกายหงสมาธิที่ท่านที่ไปก็เอาเวทนานี่แหละเป็นอารมณ์ใช้ความเพียรให้ทียิบ ไม่ปล่อยมันยานถ้ามันหย่อนมันยานทีไรเมื่อไร่มันไม่ทันเดี๋ยวส่วนตัณหามก็แทรกเพราะตัณหามันแทกเข้ามามันกรรือบันลังแล้วมันแทกเข้ามามันก็ยึดอัตตามันโผล่ขึ้นมามันก็ยึดแล้วตัณหามันเกาะทีไรเมื่อไร่อัตตามันกรโผลอัตตาโผล่ขึ้นมาทีไรเราปวดเราปวดนั่นน่ะอัตตาโผล่ขึ้นมาแล้วตัณหามันกรโผลขึ้นมาแล้วทนไม่ได้ต้องพลิกต้องเปลี่ยนพลิกปั๊บเปลี่ยนปั๊บโอ้ สุกได้แรงคือ <c ười> <c ười> ใจมันอยากอยากไม่ปวดนะคือตัณหามันอยากไม่ปวดโอ้เดี๋ยวนี้ปวดแล้วเกินปวดแล้วเกินอยากไม่ปวดพลิกปับ๊บหายปับ๊บได้แรงยึดอีกไหมทุกข์ก็ยึดอยู่แล้วเพราะมันกลับไปเป็นสุขยืดสุกอีกนะมันมันกินทั้งกินทั้งลองอะ่ะนูใหเห็นชาติเกนแล้วมันจะวางเพรามัน แล้วเราควรหนั่งไปงานแค่ไหนหรือให้นั่งไปจนกว่าสมาธิจะลยตัวเองครับเพราะความท่านแนะนำว่าค ว, ขวารขอตอบแทนสมาธิแล้วด้วยปัญญาต่อการเดินปัญญ า, ญญาควรเดินไม่ เ, นเนห น, หนือ่อยอะไรนะครับอยถ้าเราคิดได้อย่างนี้เรายังไม่สงบเต็มที่ดอกคิดมันยังทํางานอยู่มันยังคิดยังไม่ยังปรุงอยู่ มันสงบจริงๆมันจะไม่ถอนมันสงบไปจนถึงที่สุดเข้ามันถึงจะอิ่มถึงจะพออิ่มพอมาเรารู้ว่ามันถอนมันถอยออกมาแล้วเราจะเข้ามาพิจารณาไม่ใช่ในขณะที่มันสงบอยู่เราก็ถอนขึ้นมาเพื่อที่เปลี่ยนครบาอาจารย์ท่านไม่ให้แตะต้องไม่ให้ถอนทำสงบจนถึงที่สุดของมันนะค่ค่อยเอามาพิจารณายังไม่สิ้นสุดก็ปล่อยมันอยู่อย่างนั้นแหละอย่าไปฝืนมันีไม้ห้ายจี๋ของเราสงบนะแต่ถ้าสงบ ลักษณะของการเจริญสติเนี่ยเราพร้อมที่จะพิจารณาตอนไหนก็ได้เมื่อไรก็ได้มันได้ทั้งสมถะ ม, มันได้ทั้งพิปิศสนานี่ลักษณะที่ถามนมันลักษณะว่าเจริญสตินั่นแหละยังก็ยังดีที่ว่ามีสติกำนดจดจรอู้อยู่ว่าเรากําลังเจริญอยู่สามารถจะดึงมาพิจารณาเกิดปัญญาอยากแยะเห็นการเคลื่อนเคลื่อนไหวไปมาของอารมณ์ที่เรากำนดจดจรออยู่อย่างนี้ก็ใช้ได้ ออพิจารณาก็ได้แต่ถ้าจิตมันสงบจริงๆมันทิ้งวิตกทิ้งวิจารณอยู่โรออยู่กับอุเบกชาความวางเฉย อ, อยู่อยาไปกระดุกระดิกพลิกแปลงทําให้มันเป็นอื่นไปปล่อยเขาอยู่จนกว่าเขาจะอิม่มเขาเขจะถอนออกมาถอยออกมาแล้วก็มาพิจารณามันไม่ง่ายนะที่เราจะเข้าไปได้อย่างนั้นมันไม่ง่ายเลยแต่ถ้าเราเจริญพอมีสติมีความรอบรู้ มีความรู้ทันสว่างโรอยู่ให้เห็นให้พิจารณาดูอันนี้จังทุกข์องนัตตาให้พิจารณาย้อนมาที่อัตตาตัวมันตัวที่มันพายึดยึดเพื่อที่ให้เป็นอัตตามันคานกันกับอนัตตาอนัตตาพิจารณาอนัตตาคืออะไรเป็นอะไรอนัตตาคือความไม่มีตัวไม่มีตนความไม่ใช่ตัวความไม่ใช่ตน มีสติมีสัมผัสยัญญากันจดจ่อตามอูตามรู้พิจารณาอย่างเดียวไปหมายให้มันเป็นโน้นไปหมายให้มันเป็นนี้นั่นตัวอัตตาตามดูมันไปตามรูมันไปมันแสดงความเป็นอิสระของมันเราตามดูตามรู้ตามเห็นมันจะเป็นรูปธรรมก็ตามจะเป็นนามธรรมคือเวทนาคือจิตหรือธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งโผล่ขึ้นมาปรากฏอยู่ขอใตามดูตามรู้ตามเห็นไป ในระหว่างการภาวนากากโทรหายใจไม่ได้คือใช้วิธีดูลมหายใจและพุทโทสลับกันแต่ถ้าเวลาเบือหรือไม่ได้ตั้งใจกลับมีการเต้นของใจลดหายใจที่ปลยอย่างชัดเจนกราขอคำแนะนำค่ะดูหลังจากหลวงพ่อว่าท้าผดต้องไม่หรือต้องแก้ไขอย่างไรใช้ได้ใช้ได้มันอยู่กับลมมันทิ้งบริกรรมพุทโธมันอลม ลมมันก็มีภาวะรองรับอยู่แต่ถ้าเราอยู่กับพุโทโธด้วยอยู่กับลมด้วยก็คือเขาก็ยังอยู่ในองค์บริกรรมอยู่คําว่าพุโทโธพุธโทโธเป็นการดําริดของใจลมเป็นกิริยาอาการของกายมันได้ทั้งกายมันได้ทั้งใจคำถามคือเรื่องบริกรรมพุโทโธต่อเพื่องไปนา น, านแล้วบริกรมี และมีอารอที่ไม่ใช่โเกิดแทด้วยเมื่อจิตรู้สึกหดแรงหมดลันรับรู้เฉพาะพุทโธอย่างต่อเนื่องได้โดยรรายงานก็นั่นแหละสติามสติขวามลมันอ่อนมันขาดสติตองความรู้สึกตัวแล้วก็ปรับใหม่ดูใหม่พิจารณาคมาเก็บจอใหม่ก็ทำอย่างนี้แหละ๋ย่ล้มลุกลุกคลาแล้วก็ทำไป หล่มแล้วไม่ลุกนอนเคราะหตลอดเปิดเปล่งเลยทีเนี้ยนี้ยังรู้ยังรู้ว่าเราอยู่บ้างไม่อยู่บ้างครับแล้วพี่จิตพัฒนาไปตอนที่ควรจะได้เรียกปฏิบัติเป็นโยคผู้แทนฟังไม่ออกคหมายคามว่าอที่เอาแท้ขึ้นปรุ้งซาแล้วจิตไม่สามารถที่จะรับรู้ในเในคามริาณท ก็ไคยนกิริยาบทอ๋ออย่างนี้ไม่สงบอ่ะลองไปเดินดูมันอาจจะสงบก็ได้เพราะกิริยาของการเดินนะมันทำให้เรามีกายไหวอ่ามันเป็นการทำให้ใจของเราตื่นทำให้กายของเราตื่นแทนที่มันจะดึงจิตของเราไปใช้งานได้ง่ายมันก็ ย, ยังอยู่กับอารมณ์ตื่นอยู่เป็ น, เ ป, นเป็นปันเป็นการปลุกสติปลุกสัพชัญญะขึ้นมาก็ได้สับเปลี่ยนไป แล้วนอกจากการเป็นโจของเราเมียนมาแล้วแต่ไหนก็ต้องลด้ไม่ได้นะจะเป็นประยนก็ยืนยืนพิจารณาได้นอนพิจารณาได้แต่ถ้าไม่ปล่อยถ้าปล่อยคราอออกไปเลยการที่เราออกไปเดินนี่จะดีที่สุดนอกจากได้เวลาพักถึงเวลาพักถ้าเราอยากชนะ ทำยังไงก็ได้ที่เราจะปรับตัวให้อยู่ในแบบอย่างที่เราทํายู่เราไม่ปล่อยแบบอย่างเคืออะไร่นอย่างพุโทโธพุโทโธพุโทโธนี่คือแบบอย่างไม่ทิ้งพุโทโธฟังแต่ว่าวาลวงตาคำว่าอย่าชื่อคําบริกรรมอย่าทิ้งคําบริกรร ม, รรรมเราฟังแค่นี้แหละ เ, เราก็ไปปรับใช้ลองดูทิ้งคําบริกรรมไม่ได้เวลาเวลามันทิ้งเวลามันเผลอมันก็ทิ้งของมันเองเพราะว่าเราขาดสติ เราก็ตั้งความสมำนึก ร, ระมัระวังให้สติมันอยู่ตลอดเราจะไม่ทิ้งคําบริกรรมเพราะคําบริกรรมแต่ละขณะแต่ละขณะแต่ละขณะมันเป็นการปลุกตัวเองให้ตื่นถ้าเราหยุดเอาอะไรมาปลุกมันก็หลับตัวเอยืนก็หลับเดินก็หลับนั่งก็หลับข้าขอคำแนะนำในการรักษาความเพีย ให้มีความต่อเนื่องหลังกากปวดคอที่ครัทบทั้งวรจะไปที่ไหนก็ตาทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนสังวรประทานระวังไม่ให้บาปอคุณเกิดขึ้นในหัวใจของเรามีสติคื้นกับเกิดจรู้ตลอดอคุณในดๆที่จะพึ่งเกิดขึ้นประหารละมันในขณะที่เราตั้งใจทำมันก็เป็นการภาวนาประทานภานตัวผนที่หลงเหลืออยู่ ความสงบค <ข bedeutet, S 1> ่อยะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นสติปัญญาก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเป็นองค์ของสัมมาวายามะคือองค์แห่งความเพียรที่เรียกว่าสังวรประทานประทานภาวนาประทานอนุรักษณาประทานประทานแปลว่าความเพียรเพียรนี้เพียนอยู่ในองค์มากอาริยมรมีองค์แปไปดูสังวรประทานสัมมาวายามะนี่คือสังวรประทานประธานภาวนาประทานอนุรักษณาประทาน แล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้คือสติสมาธิเป็นเหตุให้เกิดปัญญาสัวรระมาระวังแต่ถ้าขาดสติขาดสามัญญาที ไ, าไรเมื่อไรมันก็ขาดความสังวรขาดความระวังดันร้อะไรจะแทรกเข้ามาแล้วมันมีความครั้งเผยความประมาทความนิ่งนอนใจอะไร ส, สรารพัดที่มันจะพึงแทรกเข้ามาทำไม่ด้ทุกที่บททั้งยืนทั้งเดินทั้งนัง่งทั้งนอน ตามหลักที่ท่านพูดเอาไว้กำลังจับจ่อรู้หนืถึงว่ามันสงบมันไม่อยากพิจารณาก็ปล่อยให้มันสงบเอาตั้งใจพิจารณาตั้งสติขึ้นมาตั้งอกตั้งใจพิจารณาไม่ปล่อยให้วันเวลาล่วงไปโดยที่เราประสจักษ์ความรู้ตัวตัวนี้มันจะสั่งสมตัวของมันมันจะเพิ่มกาลังครับเป็นพระเป็นอินทรีย์พระ มีกําลังเพียงพออินทรีย์ความเป็นใหญ่แต่ละอย่างแต่ละอย่างมีความเพียงพอผลสืบเนื่องก็จะพึงเกิดขึ้นโผชงองใดองหนึ่งก็จะพึงเจริญขึ้นเกิดขึ้นถึงตรงนั้นก็ต่างเกิดขึ้นทั้งไครรู้สติเกิดขึ้นทั้งไครรู้สติยังไม่เกิดทั้งไครู้ธรรมวิจัยยางคือการพิจารณาแยกแยะสองสอองธรรมเกิดขึ้นก็รู้ยังไม่เกิดขึ้นทางไครู้ ตัวรู้ตัวเดียวมีสำคัญที่สุดมันเป็นคนมันเป็นผู้คอยมาตามรู้ทันขณะจิตของเราอันนี้สำคัญอยู่ ไปอันไหนไม่ชัดเจนไม่แจ่มแจ้งก็ไปพิจารณาต่อเติมแล้วก็เพิ่มเติมถามเพิ่มอีกได้พรุ่งนี้ยังมีเวลาอีกเราจะได้ขึ้นเหมื อ, อย่างนั้นก็สองรอบพรุ่งนี้นะตอนเช้ามืดเราอาจจะใช้เวลาเช้ามืดต่อปัญหาทั้งหมดก็ได้สไลก็ตอนสายเราจะปิดก่อนเที่ยงเลยพรุ่งนี้ปิดตอนสิบโม สิบโมง <15 S 1> ครึ่ ง, งต้องเป็นอาหารแล้วก็ถึงสดโมงครึค่งเข้ามาหลอบที่เล่นนอเ้าว่าะครแสดงว่าพรุงนี้เราจะต้องขึ้นมาอีกสองรอบใช่ไหมสามรอบสามรอบแล้วสร อ, อบของครูแล้วสอี่มีมีมี้ดบรรจุคอร์นะคะอ๋อนั้นก็เป็นอีกอย่างนึงไอ้ที่เราปิดคอตปิดตั้งแต่ก่อนเที่ยงปิงิบครึอ๋อ ตอนบ่ายก็มีหมูมาคาวะมีหมูม า, าวะ เ, เป็นอันตกลงตามนี้วันนี้ไปไข่ครวน์กจะตรองไปวิจารวิจัยอะไรจะเกิดผลเกิดประโยชน์ใครเป็นเจ้าของปัญหาก็ไปพิจารณาให้ดีเห็นปฏิกูลเห็นโซโคเห็นอะไรก็เห็นให้มันเห็ น, ม, น, หนมันชัดเจน ความเบื่อนาคลายจาจมันประทับอยู่ในหัวใจของเราเราไม่สงสัยเราไม่สงสัยบางอย่างเราไม่จำเป็นต้องถามต้องต้องใจศึกษาไปพิจารณาไปสอดรู้สอดเห็ น, ช, นช้อนใช้หาเ ง, งินหา ง, งามอยู่นั่นแหละทั้งยความภาก ค, ความเพียรศึกษาด้วยตัวของตัวเราเองสําคัญที่สุดเวลามันหมดข้อข้องใจมันก็เป็นอบายมันเป็นวิธีของเราเองเกิดขึ้นจากอบายวิธีของเราเอง พอสัมพันธ์ก็ตามอะไรเกิดขึ้นอย่ายึดอะไรเกิดขึ้นอย่าเกาะอะไรเกิดขึ้นอย่าถือรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยยึดแม้แต่ปัญญาปัญญายาเนีเรายึดมันก็ยังติดมันก็ยังคล้องมันก็ยังเกาะเพราะฉะนคนที่มีจิตวิปลาสบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วก็ยึด มีอะไ ร, ประเปล่เปลาเปลากิดขึ้นแล้วก็ยึดยึ ด, ยดเหนี่ยวนั้นมันคองอยู่นั่นแหละก็ทําให้เราคลองคาอยู่อย่างนั้นแหละไม่ยึดเราเราไม่ปลอ่อยเราลองปลอ่อยไม่ยึดลองดูอะไรจะหลงตกค้างเหลืออยู่เราจะรู้เราจะทราบด้วยดวงจิตเรา อ, อันนั้นก็คือของจริงของแท้ที่จะเป็นปรากฏตกค้างเหลืออยู่ในหัวใจของเรามันจะกําเริบหรือมันจะหมดความกําเริบอะไรเราก็รู้จักดวงจิตของตัวเราเ วันนี้พอสมควรเือเวลาเปนตอนนี้เนาะต้องอดต้องใจทุกค น, น